สมก็เป็นทุกต่อดวยยอขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความคิดหรือทาห้าเป็นตุกติสุ ท, ทลายก็ปางเกิดเป็นอย่างไรานัคือการเกิดการกำเนิดการเจ่าลงสุขันการบนเกิดการบนเกิดโดยยิ่งเพราะว่าแห่งความปรากฏของทันทลายความมีหนือวความสิ้นไปสิ่นไป ขสัตว์เหานั้นเหล่านั้นนี่เราเรียกว่า Absolutely.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 เป็นสมบัตนทุกนั้นเป็นอย่างไรเราด้วยความปรารถนาเกิดขึ้นแต่สัผู้ ม, ม, มีความเกิดเป็นธรรมอย่างนี้ว่าโอ๋น้อขอเราทลายไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาติ่งธรราทั้งหายน้ออก่างนี้พราข้อนี้ไม่ใช่สัตวจะบรรลุได้ด้วความปรารถนาไมมีปัญหาเชว่าปรารถนาสิ่ง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 จะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนไม่อจะเขไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนในสิ่งใดในโลกที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ินดปัญหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นไม่จะเขาไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็ อ, อะไรเลามีภาวะเป็นที่รักมีภาวา เพ่อหวนพากินเพื่อให้ถึงความดับไม่แหลจกจบนั้นเป็นอย่างไ n เล่าเพื่อ r วนพากันประ n สริฐเป็นตัวกรอบด้วยองแบบประการนี้เล่านี้นองแบบประการคาหอหนึ่ความเชอบความดัชอบว่าจะชอบ อิสตอรความบัมบิชชอบหรือสมารสักปะเป็นอย่างไรเลาด้วอความบัมบิในการออกจากตาความบัมบิในการไม่ทบักความบัมบ so, like ิในการไม่เย็นเยยนในเราเรียกว่าสมารสักปาดืวความบัิติชอบสตวาซาชชอบหรือสาวาา จะอีจอะไรสมารกแนตหรือแต่งานอบ ชอบหรือสมาราชีวะนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะในกรณีนี้หลักการหาเล้งชีีินเะสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลียงชีตที่ชอบนี่เรามีไวสมาราชีวะที่้ความเป็นชอบหรือสมาร สุดร้อความรู้จักหรือสมัยสติปัรัา ฌานมันรับลมแต่จึงเขาถึงฌานที่สองมันเป็นเครื่องป้องสายแห่งใจในภายในนำให้นในไไหสมาธิเป็นตามอันเดกกุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิสัมีแต่ปิติแระสุขอันเกิดจากสมาธิและปั้งอยู่ในวิหารธรรมกันได้และเพราะความท e ี่ปิติจะหายไปเขาเป็นผู้เพ่งเทืออยู่ได้มีสติ ข้าเข้าถึงชานที่สามมันเป็นจากที่ปราบริสาทั้งหลายเราสันเสริมผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้นิ่งเฉยอยู่ได้มีสติอยู่เป็นปกติสุขและตั้งอยู่ในวิหารธรรนั่นได้และถ้าเรียนเกี่วกับหลักสุขและหลกทุกเสียได้ก็ความหลักรายไปสมแล้วและต้องนัดในการก่อนจะย้อนเข้าถึงฌาที่สี่มันไม่ทุกและไม่สุข สิอันบรสุทพราะอบุบกาละอยู่ทีสุขนาดนะีเน่ราเรียกว่าสัมาสมาธิหรือความตั้งใจมันจนน่นชะอบเรดูลหรือบริสัทธ์ดตามเป็นเรื่องให้ถึงความไม่เหลือให้ถูก่างนี้เรื่องทกของอามิชาทีุสลายที่สุดในบ้องต้น เสียเป็นธรรมชาติอินเดีย ถ้าใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็เราเป็นอาหารของทุจริตลายสาระกันคำตอบคือมีว่าการไม่สมรุมอินทรีย์เรากล่าว่าจึงแม้การไม่สมรุมอินทรียก็เป็นธรมชาติที่มีอาหารถ้าใช่เป็น ใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไหมก็อะไรเาเป็นราานของความเป็นผู้ไม่มีสติสำหรับสุญญาก็ตอบไปว่าการทำในใจโดยไม่แยกกายหรืออายุิทรงานุสนิกานิสุธรายประกาศว่าถึงแมการทำในใจโดยไม่ยกกายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาราใช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 ใช่ธรรมชาติที่ไม่มีการอะรก็เอาไวล่าปัญหาของวิชาและพิบุตรคำตอบตึงมีว้างผูชมหลายจุดประการถึงแม้ผชมหลายจประการก็เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรใช่ธรรมชาติที่ไม่มี ที่ไม่มีอาหมก็เรล่าเป็นอาหารของสปีชีส์ประการคำตอบคือ ม, มีว่าสุดจริเข้หลายสายพันถึงมสุจระหลายสายพันธก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารถ้าใชเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาม่ก็เงเล่าเป็นานของสุดจริเข้หลายสายันธ์ตอบก็คือการสัมรสมี ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารถ้าใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารได้อเรียกเป็นอาหารของการสร้าบวิญญาณคำตอบคือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถึงแม้ความเป็นผู้มีสติ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 ใช้ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเราเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัตย์ธรร ม, รรมต้อตอบดุ้มว่าการคบสัพริติสุยด้วยการยานีนัที่มีการคบสัพริติคบคับคนดีเป็นไบรบนบุรแล้วเ ร, รื่งความการัพรรมให้ประบุชการได้ฟังพรรม Yes. <laughs> สุ e ริตละอ a n สัมปราน s ห้บริบูรณ์คร t ้นส l จริตละอายสัมปริแพรลให้เมื่อสฤษดิ a n รลิล้วย t ่งทำโพชฌงค e คืหมให้ So